ถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วย ฉ, ฉันต้องรีบนะฉันมีธุระนะก็เดินผ่านคนที่กำลังทุกข์ร้อนไปได้อย่างหน้าตาเฉยนะสังเกตไหมเหตุผลเดียวกันเนะี่ยประโยชน์เดียวกันเนะี่ยถึงฉันไม่ทําคนหนึ่งก็ทาเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อทำความชั่วก็ได้หรือว่าละเลยเพิกเฉยไม่ทําความดีก็ได้ถึงเวลาจะทาความชั่วก็ใช้ประโยชน์นี้แหละนะ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 นี่เราต้องระวังนะไอ้สำนวนหรือประโยคนี้นะมันทำให้ผู้คนนะทาบาปทำชั่วหรือว่าเสียพูดเสียคนมาเยอะละโดยเพราะเวลาเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะบางทีก็ปล่อยให้บุ่คลหน้าเนี่ยชักชวนให้เราหลงผิดทำทาไม่ดีนะทะนั้งที่มันก็มีเสียงเตือน <c oughs> เสียงเตือนในใจนะว่าอย่าทำอย่าทำแต่เราก็ทำเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันนะ